มีนาคมพุทธศักราช 2,557 วันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน4พวกเราได้ลงอุโบสถสวดพระปฏิโมกจบหลงศักครู่นี้วันนี้พระสงฆ์ทั้งหมดก็29รูปที่ลงอุโบสถ ในวันอุโบสถเช่นนี้ในแนวทางปฏิปทาของพระครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้ปารบเรื่องหลักพระธรรมวินยัยเพราะเราสวดเมื่อกี้นี่สวดพระวินยัยสิบสองยีของพระตั้งแต่อุ ป, ปกิจเตรียมพร้อมในการลงอุโบสถ แล้วก็ได้สวดพระปฏิโมกตั้งแต่สีลข้อที่หนึ่งคือปาราชิกสีสังฆาทิเศษส3สามอานยยศสองนิสกิยปาจิตีสามปาจิตีเกิปฏิเทศนิยะสเสกิยวัดเจรวมเป็น220ยนับทั้งอธิกรณะสมัถทะเข้ารวมเป็น227 สินของเราที่สวดลงจบลงสักครนูนี้เราบรรยายองค์ที่ขึ้นสวดคือสวดบรรยายสินสองีให้กับพวกเราได้ทบทวนได้ศึกษาว่าพวกเราได้ล่วงเกินหรือล่วงไม่เคารพในศิษยาบทตวินยัยตรงไหนบ้างถึงพวกเราจะไม่ รู้ภาษาบาลีแต่15วันทุก15วันก็เป็นการกล่าวย้ำเตือนพวกเราอย่าให้ปล่อยปะละเลยหรือว่าขาดความสนใจในสินและวินัยของตนเองสินของตนเองอย่างน้อยก็ต้นกระเตือนกระตุ้นเตือนให้พวกเราได้สำนึกว่าสินส2งีของเราเนี่ยที่สวดลงไปเนี่ย มีอะไรบ้างที่พวกเราจะต้องยังไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ควรจะศึกษาหาวิธีการศึกษาในศีลของตนเองตั้งแต่ข้อแรกแต่เมื่อข้าวที่แล้วผมอธิบายศีลข้อที่หนึ่งคือพาสุทินะข้อที่สองก็คือพิกษุแกล่งธรรม แกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายข้อที่สก็คือภิกษุขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ข้อที่4ก็คือภิกษุอวดอตริมนุสธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิกนะอันนี้ก็คือการขาดจากการเป็นพระที่จะโทษประหารของพระถึงบวชเข้ามาแล้ว ถ้าต้องอาบิทั้งสี่ข้อข้อใดข้อหนึ่งคือโทษประหารในเมื่อเราศึกไปแล้วกลับมาบวชก็ไม่เป็นพระอีกเพราะอะไรเพราะคนนั้นตายจากคุณธรรมแล้วคุณธรรมไม่มีใน จ, จิตใจแล้วล่วงละเมิดมสินเลวินัยอย่างร้ายแรงแล้วแปลว่าชาติทั้งชาติแปลว่าเปล่าประโยชน์ ขาดจากการเป็นพระเปล่าประโยชน์คือโทษอาบัติปาราชิกสี่ภิกษุเสพเมถุนต้องปาราชิกภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาหา ม, มามศกคือหนึ่งบาทขึ้นไปขาดจากการเป็นพระเป็นปาราชิกข้อที่สภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายต้องปาราชิกข้อที่4ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรม คือทำมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาลชิกเนี่ยคือโทษประหารของพระคือปาลชิกน่มีสี่มีสี่หลักใหญ่ใฮะตอนี้ท่านจะอธิบายให้ฟังคำว่าต่อมาเขาเรียกว่าโทษประหารแล้วว่าโทษที่รองลงมาอนุหรือ ว, ว่าโทษหน้าตำหนิก็มีเป็นขั้นตอนถ้าเราได้ ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างภิกษุขมโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาศคือพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยก็ต้องอิงอาศัยกฎหมายในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนั้นโทษขนาดไหนโทษประหารอย่างทุกวันนี้ก็ว่าป่น แล้วฆ่าป้นแล้วค่าอย่างนี้เป็นต้นคือโทษประหารแต่เขาจะทำยังไงก็สูก แ, แต่คือกฎหมายสมัยก่อนแต่ทุกุนวันนี้อาจจะเบารื้นหนักก็คงเราก็ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดของเขาแต่ในครั้งพุทธกาลเพิกษุขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาศ โทษประหารแต่ว่าโทษหนักนะคือเจตนาขโมยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโทษหนักในกรุงในกรุงราชสักขท่านยกประเด็นไหนขึ้นมาในเรื่องนี้เนี่ยสมัยหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคัก์ก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งเนี่ยแหละหนักไปในทางวัตถุหนักไปในทางก่อสร้าง ท่านไปอยู่สำนักแห่งหนึ่งท่านก็คิดก็คงจะเป็นช่างน่ะแคงจะมีหวัวช่างมาก่อนท่านก็สร้างที่พักของท่านสร้างวัดของท่านคือว่าสร้างศาลาหรือที่พักของท่านพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม้ทําด้วยไม้ไม้มันไม่พอถือไม้มัดถือไม้มันไม่พอ ก็แย่จะหาไม้ที่ไหนได้ยินเมื่อพระเจ้าพิมพ์พิสารท่านประกาศวันสเสวยราชของท่านเหมือนข้าพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่วันครองราชของท่านเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้พระเจ้าพิมพ์พิสารท่านก็ประกาศว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ครองราช แล้วดินก็ดีน้ําก็ดีทรัพยากรต้นไม้ก็ดีที่งอกเงยในแผ่นดินของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบให้กับให้สมณะผู้ทรงศีลได้ใช้สอยตามความเหมาะสมข้าพเจ้าขอมอบให้กับสมณะธรรมสมณะราลผู้ทรงศีล ให้ใช้สอยด้วยความเหมาะสมในการบาเพ็ญเพื่อความผาสุก ข, ของสมณะราล์มผู้ทรงศีลที่เป็นนักพรตนักบวชลักษณะอย่างนั้นแหละคือท่านกล่าวเป็นให้ใครก็ว่กกล่าวเป็นสน้สนทอนรพศในก่อนที่จะขึ้นคองราชอันนี้ก็คือวันกล่าววันเสวยวันรับราชสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารท่นี้คำคำพูดเนี่ยนะเกิด กระจายไปทั่วในประสงค์กนกรไปททุกหัวและแหง่งอย่างพวกเราได้รับคําจากพระบาทสงเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนะเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมลักษณะอย่างไงแต่ในพระเจ้าพิมพ์พิสารนั่นก็จากนั้นพระสงค์ประสงค์กนกรทั้งหลายเขาก็รับรู้รับทราบร่วมกันแต่พระองค์นี้เนี่ยยกประเด็นเอาประเด็นนั่นแหละเท่านั้ที่ว่าน้ําก็ดีดินก็ดีต้นไม้ก็ดี จะสวายแก่สมณะผู้ทรงศีลทใ น, นพระองค์นั้นก็ไปเอาไม้จากโรงไม้ของพระเจ้าพิมพิสารน่ที่เห็นไม้โรงไม้คือเขาจะมีโรงไม้สำหรับซ่อมแซมวังเ ว, วียงวังของเข า, เาหรือว่าตรงไหนที่สำรุดชุดโสมในเมืองอย่างพายุถลม่มหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นเขาก็จะต้องมีคลังไม้ไว้ เพื่อซ่อมแซมเมืองดันี้เขาก็เตรียมไม้เอาไว้คลังไม้เอาไว้แต่พระองค์นี้ก็ที่ว่าพระสร้างวัดเนี่ยก็พระภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยสร้างวัดเนี่ย ก, ก็เข้าไปขอไม้จากออผู้คนที่เฝ้าไม้นายคลังนะออผู้ดูแลไม้กาไปก็เอาอาตมามาขอไม้ ในวังนั่นก็ถามเอาท่านได้รับพระบรมราชานุญาตได้ยังอันนี้เป็นไม้หลวงเออได้รับแล้วท่านได้รับแล้วผลแล้วท่านได้รับแล้วก็เอาไปได้เี่ผมอนุมัติต่านจะเอาเท่าไหร่พระองค์นี้ก็สั่งเาเลยเท่านั้นตอนนี้เขาคงจะมีบัญชงบัญชีสั่งแทงจ่ายออกไป่เป็นไม้เท่าไหร่พระองค์นี้ก็ขนไม้ไปไปสร้างเสนาชานะของตนเอง ไม้ก็มันก็พ่องจากโกดังเท่นะี่พระเจ้าเป็นดินท่านก็จะซ่อมเวียงวังของท่านก็ไปดูคลังไม้พอไปเห็นคลังไม้มันพ่องเทมันหมดไปก็ได้ถามคนที่เฝ้าคลังไม้เอาไม้ทําไมมันพ่องไปเพราะอะไรนายคนที่เฝ้าไม้เขาก็บอกว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มาเอาไปมาขนไปไปสร้างที่พักของท่านเอา้าใครใครอนุญาตละ่ะท่านบอกว่าท่านได้รับอนุญาตจากพระบาทสมเด็จแล้วได้รับจากพระองค์แล้วพระเจ้าแผ่นดินแล้วเอ้เราก็ภาระมากธุรกิจภาระแต่ละวันของเราก็มากเราอนุญาตแล้วก็ได้แต่ว่าแต่เหมือนเราไม่ได้เคยอนุญาตนะ แต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจเอาเถอะเรามีภารกิจมากขอเนมมณพระองค์นั้นมาพบกับเราหน่อยนะแต่ทนี้เขาก่นอนเนมมพระองค์นั้นเขาไปพบกับพระเจ้าพิมพ์ิสารพระเจ้าพิมพ์พิสานก็บอกว่าท่านโยมก็มีภาระธุรกิจมากอาจจะลืมลืมหลงหลงลืมลืมแต่โยมคิดว่าไม่ได้อนุญาตให้ท่านเอาไม้ในไม้คลังหลวงนไปใช้นะ ท่านผมได้ทราบว่าถามในคนคลังในครั้งที่เฝ้าคลังคลังไม้นะ่เขาบอกว่าโยมอนุญาตให้ท่านไปใช้ท่านได้รับอนุญาตจากโยมเมื่อไหร่โยมอยากจะทบทวนความจำลักษณะอย่างนั้นนะพระองค์นี้ก็บอกว่าอาตมาทราบมาโดยตลอดว่าพระองค์ ก่อนที่จะได้รับร า, าชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงราชคฤห์ในวันนั้นพระองค์ได้ประกาศต่ อ, อภัยภาพาประชาชนประสกิในก่อนว่าน้ำก็ดีดินก็ดีต้นไม้ก็ดีที่จะใช้อขอเข้าไปเจ้าขอมอบให้กับสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีล ผู้มีศีลรจารวัตผู้ทรงศีลให้ใช้ตามอัธยาศัยอาตมากิดว่าพระองค์อนุญาตแล้วอาตมาก็เลยเอาไม้ในคลังหลวงไปใช้พระเจ้าแผ่นดินได้ยินคำนี้ก็อึ้งเหมือนกันท่านบอกไม่ใช่อันนั้นพระคุณเจ้าตีความหมายผิดคำว่าสมณะผู้ทรงศีลผู้มีเฮลีโอตปะ ผู้มีความละอายแก่ใจเป็นผู้มีศินแต่ท่านทำอย่างนี้เหมือนกับขโมยนะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ทรงสินเพียงแต่ใช้ชั้นเชิงและเล่เหลี่ยมเท่านั้นเองมาพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องเอาเถอยอมอนุญาตยอมอนุมัติเพราะเป็นครั้งแรกแต่ย่ามาเอาอีกนะต่อไปเพียงแค่นั้นไม่ได้ไม่ถูกเพราะโยมไม่ได้อนุญาตให้ท่านท่านจะมาเอาอย่างนี้ มาเอาได้ยังไงต่อไปอย่าอย่าอย่าเข้ามาอีกนะอผิดนะพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งเด็ดขาดแต่ที่คำนี้ก็กระจายไปน ใ, นในหมู่พระสงฆ์ทีไหนพระสงฆ์ก็พูดต่อๆกันเรไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์พอเรียกประชุมสงฆ์พระสงฆ์มาพร้อมกันแล้วทีไหน พระองค์จะบัญญัติวินัยว่าภิกษุไปขโมยไม้ของหลวงอามาชะสร้างกุฏิของตนเองพระองค์ก็ประ ก, กาศก็ถามนี่ะท่านอ้างอิงถึงถึงกฎหมายบ้านเมืองเพราะผู้มาบวชนะก็เป็นตุลาการศาลพิพากษาหลายระดับที่เขามาบวชในครั้งนั้นเพราะพุรธองค์ก็เรียกมาก็ถาม ถามพวกพี่ภาคษาพวกอายการพวกกฎหมายที่บวชในยุคนั้นเนี่ยคือว่าเป็นพระที่ผ่านปกครอง ส, สาลผู้อยู่ในกฎหมายผู้ดูแลศาลผู้รักษากฎหมายเข้ามาบวช เ, เป็นพระในพุทธศาสนาวงก็ถามว่าท่านทั้งหลายกฎหมายอย่างนี้โทษอย่างนี้ยจะโทษถึงขนาดไหนปรับโทษขนาดไหน ท่านอายการพิาพากษาเก่าเหล่านั้นบำนานเหล่านั้นท่านก็นบอกว่าถ้าหาว่าในกฎหมายเดียวนี้กุงราชคืร์เนี่ยเพิกษุใครก็ตามขโมยสิ่งของเจตนาขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาเพียงห้ามาสกคือหนึ่งบาทขึ้นไปโทษประหาร พระพุทธเจ้าอตอนนี้นพระองค์บัญญัติวินัยเลยท่านี่คือเอารับทราบพระโทษประหาในเพียงขโมยบาทตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปพระองค์ประกาศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็าตามมีเจตนาขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาศต้องปาราชิกคือขาดจากการเป็นพระนะอันนั้นเคือความเป็นมาของวินัย วินัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ให้คณะสงฆ์มีที่ไปมีที่มามีเหตุสะก่อนยังค่อยมีผลเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่จะพูดจะทำสิ่งไหนก็ตามจะคิดสิ่งไหนก็ตามพวกเราต้องให้ทีท้วนให้รอบคอบอย่าไปทำแบบมัวเมียต้องได้รับอนุญาตสะก่อนหรือว่าเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมซก่อน เราจึงค่อยทำผู้ไหนเกี่ยวข้องเราก็รับอนุญาตจากคนชุมชนกลุ่มนั้นในพื้นที่นั้นซะก่อนยังค่อยทำนี่แหละอันนี้คือพวิ น, นัยพวกเราควรจะศึกษาให้เข้าใจนะไม่ใช่ทำอันไหนก้ตามทำไปแล้วแบบรับรับรอรอไม่ได้นะอันนี้คือพวิ น, นัยพวกเราควรจะศึกษาที่ผมพูดให้ฟังนี่เป็นประเด็น เพียงจะเปิดประเด็นนในเรื่องอื่นมีไหมขโมยสิ่งของอันไหนบ้างขโมยของด้วยการขโมยของวัดขโมยของพระขโมยของญาติโยมขโมยสิ่งของมีอะไรบ้างแต่ว่าในเมื่อเราเอาของหมู่พวกเพื่อนที่เราไม่ได้บอกได้กล่าวเราหยิบไปเลยอสมมติว่าเราเห็นบุหรี่อย่างนี้เราพื่อของใช้อย่างนี้มันมีมากของพระองค์เนี้ย ของหมูเพื่อนกันอย่างสาซีฟันสองหลอด เ, อเราไม่มีแต่พระองค์นั้นมีสองหลอดวางไปเราก็เห็นแล้วก็หยิบไปเลยเอหยิบด้วยวิสาสะให้ข้าวิสาสะเอเวลาพบกันครับนะเอ้ยเห็นไหม ย, ยาสีฟันอที่มีสองหลอดใช่ไหมนะผมเอาไปหลอดหนึ่งนะผมเอาไปใช้นะออันนี้คล้ายๆกับว่าหยิบไปเลยก็ว่ามั่นใจว่า องที่เราหยิบไปนะั่นคือหมู่พวกเพื่อนกันหยิบไปด้วยเอาไปใช้โดวยวิสาสะคุ้นเคยกันการรู้จักมักคุ้นกันคงไม่ถือกันอันนี้มันก็ไม่เป็นอวบัดในพระวินยัยอันนี้พระสงสศ์ที่ท่านสงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราให้ศึกษาเกี่ยวกับวินยัยศีลและวินยัย ยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อเราตรถาคตผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นสาธด า, าของพวกท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือพวกเราให้ฟังใ ห, ให้ศึกษาและก็พร้อมกันก็ให้พวกเราตั้งใจนะภาวนาหาทางพ้นทุกข์ให้เชื่อมั่นให้มุ่งมั่นในหลักธรรมวินยัยให้มุ่งมั่น ต่อศีลต่อวินัยต่อรลักธรรมให้ตั้งใจต้องอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติให้แน่วแนวอ่อย่าอย่าหวั่นไหวควายแขว่กวงกับโลกโลกทั้งโลกเราอย่างที่เรารู้เราเห็นนั่นอะ่ะมันมีมากหลากหลายมันไม่อะไรคือความสุขที่แท้จริงในมวลมนุษย์ชาติ อันไหนคือความสุขที่แท้จริงให้ถามดูสิให้คิดดูแล้วก็ถามมองมองดูตั้งแต่ริเริ่มจนแต่จุดหนึ่งจนถึงอวสานของชีวิตแต่ละท่านมีความสุขที่ตรงไหนเป็นความสุขที่แท้จริงอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเรามองมองดูแล้วตั้งแต่หนึ่งจนถึงอวสอวสานสุดสุดท้ายสรุปแล้วก็คือตั้งแต่เป็นเด็ก เราเป็นหนุ่มเป็นสาวจากนั้นก็แต่ง ง, งแต่งงานมีครอบครัวจนถึงวันตายคิดดูสิว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงตรงไหนตรงที่ตายมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจชใช่ mm hmm. เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนจนถึงหนึ่งจนถึง อ, ว, อวสานของชีวิตไม่ใช่แบบนับครึ่งกลาง อันไหนเป็นที่พึงปรารถนาของตนเองก็มามาเกอดมาจับในจุดนั้นนี่แหละคือความสุขแต่ข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ช่างมันอย่างนั้นแปลว่าเราขาดตกบกพร่องในการพิจารณาการใคร่ควรทบทวนในเรื่องชีวิตของพวกเราเพราะนั้นอยากจะให้หมู่พว ก, พวกเพื่อนพวกองค์ทบทวนดูให้ดีคิดดูให้รอบครอบ กันกรองด้วยเหตุและผลมันติดตรงนั้นเพราะอะไรในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งกว่าเรื่องอกามักกิเลสตัวนี้สำคัญมากเรื่องตัณหาอย่างองค์หลวงตามหาบัวทั้งก็นเน้นหนักจุดนี้อย่างมาก อ, อดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี่สำคัญจะจะผ่อนคลายจุดนี้ลงได้ อ, อย่าให้มันมีกำลังร่างร่างกายมีกำลังพยายามตัดทอน จากนั้นก็พิจารณาดูให้ชัดเจนพิจารณาตัวเองนะั่นแหะอันดับแรกมันมีโครงกระดูกในร่างกายของเรามีความตายในที่สุดอันไหนคือความสวยงามอันไหนคือความน่ารักใครชอบใจอันไหนเป็นที่พึงปรารถนาของเรามันจริงไหมแน่นอนไหมถูกต้องไหมมันถาวรไหมหรือว่าเราเสกสรร ขึ้นมาหรือเราอุปโลกมันขึ้นมาหรือเราเยกขึ้นมันให้มันเลิศเลอขึ้นมา เ, เหนือจิตใจของเราเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของจริง เ, เป็นของอมตะ เ, เป็นของที่มั่นคงจริงไหม อ, อ, อันนี้เราต้องพิจารณาด้วยหลักเหตุและหลักผลครูบาอาจารย์เป็นแต่เพียงผู้แนะนำบอกกล่าวเท่านั้นเอง แต่พวกเราต้องเอาไปขยายผลตีแผ่ให้เข้าใจทำเมื่อเราเข้าใจแล้วนั่นแหละความรู้แจ้งเห็นจริงความเบื่อหน่ายคลายเพราะเห็นจริงแล้วว่านี้เป็นเป็นไฟอันนี้เป็นสิ่งที่หายนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะทาให้ตัวเองได้รับความทุกข์ต่อไปในอนาคตยานนานเท่านาน ถ้าเราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของเราเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงาหรือแนวธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานํามากานกรองไตรตรองที่ใจของเราเป็นลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็เอาธรรมคาสอนของท่านมาเป็นเป็นเครื่องชี้นําแล้วก็การกรองดูสิมันเป็น อย่างที่ท่านพูดท่านกล่าวหรือเปล่านีผมมั่นใจว่าถ้าพวกเราพิจารณาอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกกล่าวแล้วพวกเราจะมองเห็นตาปัญญาของเราจะสว่างมองเห็นอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมพวกเราจะเดินไปทางไหนด้วยจะเดินหมกมุ่นไปกับกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างนั้นใช่ไหม ไม่น่าจะถูกนะเราเกิดมาทั้งทีชีวิตเราควรจะมองดูถอนตัวถอดใจออกมาพิจารณาให้ชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นมันหลงด้วยอะไรมันมีความสุขมากมายอามาตะอย่างนั้นใช่ไหมมันดูดูแล้วมันไปเดียวประดาวเท่านั้นเอง แล้วก็นะ่ะพิษภัยของมันยืดยาวมหาศาลที่ตามมาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านที่เป็นนักพทษนักบวชผมเคยพูดกับหมู่พวกเพื่อนอย่าให้น้ำมันไหลบ่าไปหลาสายหลายทางนี่านะตัง้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่คลองผ้าเสกเวียงบามากราบต่อหน้าพระพุทธรูปเลย ข้าพเจ้ามอบ ก, กายถวายชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาถึงจะโง่เง้าอย่างไงก็ตามชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะไม่ถอยหลังอย่างที่พระพุทธเจ้าหนีออกจากเฟียงวังเมื่อขึ้นนั่งม้าขันตะการแล้วพระองค์ตัดสินพระไถยเด็ดขาดจะไม่ถอยหลังจะไม่กลับมาอีกตายดาบหน้าตายเอาดาบหน้าจะไม่ถอยหลังเด็ดขาด อันนี้ก็คือพระพุทองค์พาดําเนินมาแล้วพระองค์ตั้งพระไถยตั้งจิตอธิษฐานมาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้ากานกรองไตรตรองร้อยเหตุและผลให้ชัดเจนเ อ, อจากนั้นก็เน่ยตั้งจิตอธิษฐานฟันเปี้ยงลงไปเลยจบชีวิตเนี่ยเ อ, อถึงจะทุกข์ยากลําบากยังไงถึงจะขี้เกียจขี้คลานยังไงมันขยันยังไงเราก็พยายามเดินไปสู่มรรคสู่ผล มักผลนิพพานเราจิตใจของเราไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าก่อนที่จะทําอย่างนั้นนะต้องคิดให้ดีอย่าเป็นมาให้หลอกตนเองโกหกตัวเองตีร่างกาไปตีล่างกามาอันนั้นไปบอกแปลว่าคนโลเลโลกเลเ่ไม้ปักขี้เลนอันนั้นใช้ไม่ได้โกหกตัวเองอย่างนั้นไปว่า อขณะตัวเองยังเชื่อตัวเองไม่ได้จะให้ใครมาเชื่อถือตัวของเราล่ะสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับพวกนักพรตนักบวชน้องหนุ่งทั้งหลายนะให้มีความมั่นมุ่งมั่นให้มีความตั้งใจให้มีความเออมุ่งหวังถึงจะช้าจะจะเร็วจะโง่จะฉลาดจะอย่างไงก็ตามข้าพเจ้าจะเดินสู่มรรคผลนิพพานภพนิชชาตินี้จะไม่ให้ใครหนักใจกับเราเออ อัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหิตนาโถโปรสิยาใครเลยจะเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากตัวของเราแต่ข้าพเจ้าจะต้องคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นทั้งชีวิตทั้งชีวิตของเราอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมีความมุ่งมั่นมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นนะตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมก